Fifty languages. หธรรมชาติ a k r i t i y a m a d i คุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมคะ d u o p u r a kani s a i d คุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมคะ นีนเกอัลลีรวัวเบ็ตตาคานิสุตาอิดเอียคุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมคะนี่นเกอัลลีรวัวฮัลลีคานิสุตาอิดเอียคุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมคะนีนัเกอัลลีรวัวนดีคานิสุตตาอิดเอียคุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมคะ นี่นเกอัลลีรัวเซตุเวกานิสุตตาอิดยียคุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมคะน i ่นั่งเกอัลลิรัาสมุทรคานิสุตตาอิดเยะดิฉันชอบนกตัวนั้นนนเกอาภักชีอิชตาดิฉันชอบต้นไม้ต้นนั้นน น, นนเกอมามระอิชตา ดิฉันชอบก้อนหินก้อนนี้นั่นเก อ, อีกัลลูอิชตาดิฉันชอบสวนสาธารณะแห่งนั้นนนเก อ, อาวุตยานะวนาอิชตาดิฉันชอบสวนนั้นนนเก อ, อาโตตาอิชตาดิฉันชอบดอกไม้นี้ นัน่นอะเหอีอหูวูอิชตาดิฉันว่านั่นมันสวยอดูสุดรวาเกดดิฉันว่านั่นมันน่าสนใจอ่ดูสวารสยซครวาเกดดิฉันว่านั่นมันงดงามอดูตุ่มบาสกสาเด ดิฉันว่านั่นมันน่าเกลียดอดูอัศัยเวากิเด้ดิฉันว่านั่นมันน่าเบื่ออดูนีรศวากิเดดิฉันว่านั่นมันแย่อดูอธิโกรวากิเต